ก็คือหากว่าได้อาหารสักอย่างหนึ่งเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสมนัมมธรรมพรามก็บอกว่าเขานี่มาหาอาหารเมื่อได้อาหารบริโภคแล้วจะไปรักษาศีลแปดหนังเงิดังที่พระองค์ตรัสว่าเท้าสักกะทราบความดำริของเราก็เลยแปลงเพศเป็นพราหมณ์สเสด็จเข้ามายังสำนักของเราเพื่อส่งทดลองทานของเราเราเห็นพราหม์นั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคํานี้ว่า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 ท่านผู้ประกอบด้วยศีละคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่าน น, นะแปลว่าต้องการให้หนาบุญของเขารักษาศีลเอาไว้ให้ดีท่านไม่ต้องฆ่าข้าพเจ้ารอกว่างนันบัดนี้เพื่อจะเปลื้องพราหมณ์ออกจากการฆ่าสัตว์แล้วทําตนให้สมควรแก่การบริโภค ข, ของพราหมณ์นั้นแล้วก็ให้ไปชีวิตของท่านที่ท่านสละไปเนี่ยนะชีวิตนี้ไม่ใช่ของผู้อื่นใช่ไหมเป็นของท่านได้มาด้วยผลแห่งกรรมของท่านนเพราะั้นท่านจึงยอมสละ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 เรียกว่าอะไรนะกระต่ายอบไงกระต่ายอบาอย่านไเงีย น, นะก็สลัดตัวว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่าได้ตายเสียเลยก็กระโดดให้ร่างกายทั้งสิ้นเนี่ยเป็นทานกระโดดลงไปในถ้มกลางกองเพลิงนั้นซึ่งอยู่ในระหว่างเปลวไฟ <c oughs> มีใจเบิกบานดุดพญาหงกระโดดลงในกอประทุมฉชนั้นก็เรียกว่าดีใจเหมือนกับหงกระโดดลงน้ำอ่ะนะหงเนี่ยหงกับน้าเป็นของคู่กัน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 เชื่อไหมไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมแต่มีเวลาป่วยแล้วก็มีเวลาแก่มีเวลาตายเนี่ยนะก็เรียกว่าแล้วก็มีเวลาไปอบายด้วยนะถ้าทำชั่วไว้แล้วใช่ไหมมีเวลาไปอยู่อบายกี่กลับนิ่ทนอยู่ได้หมดนะแต่ว่าไอเวลาที่จะประพฤติคุณงามความดีเพื่อสุขติโลกสวรรค์ทำไมมันยุ่งจริงๆเลยนะพย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนาะสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนั้นเลยมันทุกข์เนี่ยนะ พอมาชอบบทสวดมนต์ธรรมวัฒเช้ามากมีทุกเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกอย่างลงแล้วถูกทุกครอบงําแล้วมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วทำชฉไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะเพึงปรากฏชัดแก่เราได้นั่นถ้าเราไม่ไม่มีปกติสามัญยสํานึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆเป็นปกตินี่เราลําบากเนละสิ่งที่เราทําอยู่ดีจริงอาจจะได้รับคําชมจากหลายๆคน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 มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเราก็คงแสวงหาว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงเพราะชีวิตของเราบางอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้ก็มาคํานวณดูว่าโลกนี้เพียงพอไหมแล้วโลกต่อๆไปล่ะและจะอยู่อีกกี่โลกเนี่ยนะไม่รู้ว่าเราทั้งหลายกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเพาะพันธุ์เพาะขึ้นทุกแห่งเนี่ยนะเพราะในอบายก็ขึ้นเพราะในมนุษย์ก็งอกเพราะในสวรรค์ก็ก็เกรวก็ไม่หอไม่เหี่ยวเนี่ยนะเพราะได้ทุกที่ ก็ดูว่าเมล็ดของเราเนี่ยจะไปตกอยู่ที่ไหนเคยมีเรียกว่าต้นยางป่าเรียกเป็นต้นต้นไม้ใหญ่นะต้นต้นไม้ยางเนี่ยนะมันจะมีลูกเวลาลมพัดเนี่ยมันจะเหมือนกับกัางหันเลยปั๊บมันจะหมุนไปเป็นกิโลกิโลบางทีหมุนไปเป็น10กิโลเนี่ยนะต้นเครียกว่าต้นสายพันธุ์ต้นยางมันจะมีลูกลูกมันเป็นตุ่มๆเนี่ยนะต่อตบางลูกก็เท่ากับ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 กลมสัตว์ในน้ำเนี่ยนะกลมสัตว์น้ําถ้างอกบนบกงอกที่แฉะแล้วไปงอกที่ไหนก็แล้วแต่สุดแท้แต่กําลังลมคือกําลังกรรมกำลังบุญกําลังบาปแรงส่งแห่งบุญบาปนี่เป็นแรงส่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะนะมันเราก็ยังไงก็ต้องสละเพื่อความสุขต่อไปในภายภาคหน้าบ้างนีนะนะเรชอบคำเลายๆคําที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเด็กๆว่า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 อย่ามองแค่โลกนี้โลกเดียวพอละมองหลายๆโลกโรงเรียนก็บอกยังไม่สายนะเนี่ยงเรียนนะวันนี้มันต้องเกือบทุ่มเศษแล้วสรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านมอบกายเท่าว่าก็เรียกว่าสละร่างกายขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกสละชีวิตให้แก่พรามนั้นไปแต่สละแบบไม่เหมืยไม่มีเหลือเลยพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ได้ร้อนอะไรแม้แต่คุ้มขนในร่างกายที่กระโดดเข้าไปในกองไฟนั้นได้หรอก เหมือนอะไรกระโดดเข้าไปเหมือนกับกระโดดเข้าไปในกองหิมะนั่นแหละกล่าวกับท้าสักกะผู้ทรงรูปเป็นพราหมณ์อย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ท่านทําไฟให้เย็นจัดอะนะท่านทําได้อย่างไรพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพราหมณ์ดอกข้าพเจ้าเป็นเท้าสักกะมาอย่างนี้ก็เพื่อจะทดลองท่านพระโพธิสัตว์ก็บรื้อสีห์นาาว่าข้าแต่เท้าสักกะช่างเถิดหากว่าโลกทั้งสิ้นพึงทดลองข้าพระเจ้าด้วยทาน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 แต่ว่าน้อยนกสัตว์ที่จะกระโดดลงด้วยเจตนาแบบพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าสละอะไรนะถ้าเป็นปลากระจับปลาโยนลงไปในกองไฟใช่พ่ อ, อมาก็เคยทำนันเนี่ยพูดแล้วก็ใจไม่ดีเท่าไหร่เอา้าทําบาปไปแล้วอ่ะเนี่ยบอกว่าต่างจากคนทําบุญนะเวลาคิดถึงนี่มันก็ปลืม้มใช่คนทําบาปนึกเมื่อไหร่ใจก็แป้วเนี่ยนะแต่ดีว่าเกาลังพูดธรรมะอยู่มันก็แป้วน้อยๆหน่อยอันนี้เอา้าบุญพระพุทธเจ้ารักษาเอาไว้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 แมดวละสองรอนาทีเอา้าไม่ใช่สองนาทีนะมันน้อยไปมากเอา้าต้องการสมมติว่าวันหนึ่งโยมอยากได้ค่าแรงเท่าไหร่อสองบาทอย่างงี้รู <c oughs> ก็ต้องการสูงๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมแล้วนาทีในการทําบุญทําไมต้องการน้อยจังละ่ะเนี่ยนะก็ต้องการให้มันมากๆน้อยเนี่ยนะ ท้าสะกะตรัสว่าท่านสา ะ, ะบัณฑิตคุณธรรมของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกับเอิอแล้วก็บีภูเขาเอายางภูเขาว่าลักษณะของกระต่ายณจันที่จันทมนทนให้พระโพธิสัตว์นอนบนตังหญ้าแพรกอ่อนพุ่มในราวป่านั้นแล้วก็กลับเทวโลกเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยนะถ้าถ่ายภาพในในระดับหนึ่งมันจะเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยที่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 พระนนก็เคยเป็นหน้าแบบนี้แหละเห็นสุนัขยิ่งจอกกันนะเห็นลูกหมาก็นึกถึงพระมหาโมกขลานาว่าพระโมกขลานาก็ยังเคยเกิดเป็นสุนัขจิ่งจอกแล้วเราล่ะเราคิดแล้วเศร้านะเอาลิงลิงเคยเป็นไงภาษารีบุตรเนี่ยนะภาษารีบุตรก็เคยเกิดเป็นลิงเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ลบบุรีเห็นเจ้าจ้อเยอะๆเนี่ยนะก็นึกถึงว่าเออภาษารีบุตรยังเคยเกิดเป็นลิงแล้วเราล่ะ สาสถันดิตคือพระโลกกนาตพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามยังเคยเกิดเป็นกระต่ายแล้วเรื่องไม่ใช่ว่าอดีตตยาวนานแล้วก็กลับนี้แหละกลับนี่แหละขนาดกลับเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายัางได้เกิดเป็นกระต่ายคนมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดนั้นยังพลาดตกไปลงเป็นกระต่ายจะกล่าวไปยายถึงพวกเราทั้งหลา ย, ยจะพ้นอะไรบ้างนะอะไรบั่งที่เราเพาะไม่ขึ้นเรา ถ้าไม่มีโสดาปฏิมักมารองรับแล้วก็แมอันตรายอันตรายทีนี้ถ้ามีคนถามว่าเอ้บุญเนี่ยทำไมไม่ปกปักรักษาทำไมพระโพธิจ ต, ต้องไปเป็นกระต่ายไปเกิดในอบายานะทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนบุญหนักศักใหญ่สั่งสมบุญมามากมายขนาดนี้ทำไมพลาดไปเป็นกระต่ายได้ทำไมอ่ะถ้าตั้งคำถามแบบนี้ทำไมทำไมทาไมเนอะจึงต้องไปเกิดเป็นอบาย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 อดข้าวให้มือเดียวสองมือเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาอะไรเนี่ยนะสรุปบารมีในสัสบัณฑิตคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัสบัณฑิตเนี่ยนะเป็นพยากรตายมีอะไรบ้างอันหนึ่งเพิ่งประกาศคูณอ น, นุภาพอนุภาพที่เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ไว้ในที่นี้เป็นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเป็นต้นมีอยู่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 ขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญาเห็นโทษมีประมาณน้อยในเเรื่องของบาปอากุศลว่าอากุศลนั้นเป็นของน่ากลัวควรเวน้นอกุศลโดยเด็ดขาดบางคนก็ว่าอากุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปย้ำว่าอากุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปใช่ไหมเป็นไหมอันนี้ น, นี่แหละให้มันเป็นไปก็บอกว่าอะไรนะคนสมัยใหม่เนี่ยนะไม่น่าเชื่อหายใจรถกันก็ตายแล้วใช่ไหม หายใจรถกันหน่อยก็ตายแล้วสัมผัสมือสัมผัสอะไรนี้นี่หน่อยหน่อยก็ติดเชื้อตายแล้วอย่างเงี้ยนะจริงๆก็เปราะบางมากอภูษณ์เราอย่าไปดูถูกอย่าไปดูหมิน่นว่ามันเล็กน้อยทําให้เราตายไม่ได้มันทําให้ตายได้นะตายจากสุคตินี่สิจะเสียหายตกลงไปในอบายทุกคติวินิบาศนะรกแล้วก็แม้ถ้าไปโผล่ที่นั่นแล้วก็ดีนะพระโพธิสัตว์ท่านทํา บ, บุญไว้ยเยอะเนี่ย น, นะฉุดออกจากอบายไม่ยากนะักแล้วคนบาปมากๆบาปนหนาๆเ น, นี่ยนะ ถ้าไปอยู่ที่นั่นไม่ยาวเลยหรือเนี่ยนะยาวเลยแหละเนี่ยนะมันอย่าพลาดตกลงไปเด็ดขาดเนี่ยนะเอาทีนี้ถ้าไม่เขาบอกว่าถ้าทําบุญไม่น้อยเนี่ยนะถ้าพลาดลงไปก็เดือดร้อนถ้าบุญมากก็ถึงพลาดลงไปก็อยู่ไม่นานสักเท่าไหร่ก็ผลออกมาเนี่ยนะตอนพระโพธิสัตว์นี้ท่าน ท่านเป็นคนที่แยกแยะ ก, ก, กุศลอกุศลแยกแยะคุณของกุศลแยกแยะโทษของอกุศลได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันพอรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแล้วท่านทำยังไงตั้งตนไว้ในกุศลธรรมโดยชอบเท่านั้นตรงนี้สำคัญมากก็คืออัตตะสัมมาปณิทิตตั้งจิตตั้งตนเอาไว้ให้เป็นไปกับกุศลน้อมว่าจะมีกุศลอะไรที่เราจะ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 เอาอะไรที่ไม่ตั้งใจทำเนี่ยนะมันเจริญเนี่ยดีไหมสิ่งใดก็ตามที่ที่เกิดจากการไม่ตั้งใจเนี่ยลองเขียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเขียนดูสิเนี่ยแล้วแต่เขียนเขียนไปเรื่อยเผื่อจะดีอย่างเงี้ยดีไหมถ้าหากว่าอะไรนะอะไรที่เกิดจากบางคนชอบให้ทําอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจสิ่งใดก็ว่าสิ่งใดถ้าเกิดโดยความไม่ตั้งใจสิ่งนั้นน่าอัศจรรย์ที่จริงนั้นอ่ะคือความเห็นที่ผิดพลาดมากเออขับรถไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะดีใจไหม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 ก้าวหน้าทั้งนั้นแล้วโดยมากเว้นแต่กุศลที่ไม่ค่อยหวังความก้าวหน้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็สังเกตดูนะโ๊้เสียใจทาไมวันนี้บุญเกิดน้อยจังเลยร้องให้น้ำตาไหลบอคุณร้องให้เรื่องอะไรมาบอกกุศลจิตเกิดน้อยเสียใจมากพีเอทเคยเป็นไหมหมาว่าถามมันหน้าสภาใหญ่ไม่น่าเลยเนี่ยนะฉีกหน้าฉีกตาฉีกจมูกกันอยู่แถวเนี้ย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 พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยะเนี่ยคืออัศจรรย์เป็นรย์เป็นสัตว์อัศจรรย์แล้วก็อัภูตะไม่เคยมีมาแล้วมามีขึ้นแม้เพียงใจให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าจิตใจเลื่อมใสมีใจของเรามีท่านเป็นอารมณ์นะก็พ้นอบายได้จะพูดจะป่วยกล่าวไปรยัย